เรื่องจริงของคนเห็นผีสวัสดีครับแฟนๆสัมผัสสยองที่รักทุกคนสัมผัสสยองสวัสดีครับแฟนๆสัมผัสสยองที่รักทุกคน วันนี้แอดมินมีเรื่องราวเกี่ยวกับการพบเจอวิญญาณและเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นจริงกับคุณผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะรับฟังสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่และยังไม่ได้เป็นสมาชิกถ้าหากชอบช่องของเราก็อย่าลืมกดปุ่มซับ c r คร e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงคนนั้นได้เล่าว่า เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเรามันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นวิญญาณมาก่อนแต่สำหรับตัวของเราเองเชื่อมากว่าวิญญาณนั้นมีอยู่จริงเพราะเราได้เห็นมากับตาแล้วถึงสามครั้งและได้สัมผัสกับสิ่งแปลกๆที่น่าจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณด้วยเช่นกันเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น มันเกิดเมื่อปลายเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานี่เองครั้งนี้มันชัดเจนจนทำให้เราซึ่งอยู่ในวัยห้าสิบแล้วเชื่ อ, อยังเต็มร้อยเลยทีเดียวเมื่อครั้งวัยเด็กตอนที่เราอายุ1ิบ้าปีเวลานั้นเป็นช่วงเช้ามืดดวงอาทิตย์ยังขึ้นไม่พ้นขอบฟ้าขณะที่เรานอนอยู่ในมุงที่ชั้นสองของตัวบ้านก็ได้ฝันว่า มียมมาทูสองตนลอยเข้ามาทั้งหน้าต่างของห้องเราเมื่อมาถึงทั้งสองก็คุยกันว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นหญิงหรือชายก็ลองจับดูสิจากนั้นยมมาทูตนหนึ่งก็เข้ามาที่ปลายเตียงแล้วเปิดมงุงเอามือมาจับที่ข้อเท้าเราตอนนั้นเรารู้สึกตัวตื่นพอดีก็ลืมตามองเห็นเป็นเงาดำดำ รูปร่างลักษณะคล้ายคนยืนอยู่ปลายเตียงแน่นอนว่าเงานั้นกำลังจับขาของเราอยู่แล้วค่อยๆขยับขึ้นมาที่ต้นขาของเราเราสะดุ้งตกใจหลุดเสียงร้องออกมาเงาทั้งสองนั้นจึงลอยเข้าไปในห้องข้างๆทางด้านซ้ายอย่างรวดเร็วตอนนั้นเรานอนตัวแข็งทื่อได้ความกลัว เวลาผ่านไปได้สักพักฟ้าก็เริ่มสางน้องสาวที่นอนอยู่ห้องด้านซ้ายลุกขึ้นมาและเดินผ่านหน้าห้องของเราเราจึงรีบโดดลงจากเตียงและจูงมือน้องสาวเข้าไปชะโงกดูภายในห้องนั้นแต่กลับไม่มีอะไรเลยจึงพากันรีบลงบันไดไปชั้นล่างแล้วเล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังแต่แม่ก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราพูดเลย เวลาผ่านไปจนถึงวัยยี่สิบกว่ า, วาเป็นช่วงที่เราโตเป็นสาวแล้วเราได้ทํางานขายของให้บริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งได้ส่งตัวเราไปประจํายังต่างจังหวัดและให้พักอยู่ที่หอของบริษัทซึ่งที่นั่นจะมีพนักงานอยู่ด้วยกันประมาณสิบกว่าคนเล่าลือกันว่าหอพักแห่งนี้เคยมีคนเจอผีมาแล้วหลายราย แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงยังอยู่กันจนมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เราขึ้นไปอาบน้ำบนชั้นดาดฟ้าเพียงลำพังหลังจากที่อาบน้ำเสร็จก็ออกจากห้องน้ำมาและได้เดินสวนกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอก้มหน้าเดินมาเราคิดว่าเธอคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของเราจึงทักทายไปว่ามาอาบน้ำเหรอ แต่เธอคนนั้นตอบเพียงแค่อืมแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไปแล้วเราก็มายืนแปลงฟันอยู่ที่อ่างล้างหน้าใกล้ๆกับห้องน้ำนั้นเราจำได้ว่าแปลงอยู่ห้านาทีได้ขณะที่แปลงอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำด้วยพอเราแปลงฟันเสร็จก็เดินกลับลงมาชั้นล่างซึ่งที่บันไดลงจากชั้นดาดฟ้า ก็จะมีเพื่อนร่วมงานนั่งคุยเล่นกันอยู่หลายคนและหนึ่งในนั้นก็มีคนที่เราคิดว่าเดินสวนเราขึ้นไปอาบน้ําข้างบนนั่งหยุดตรงนั้นด้วยเราตกใจมากรีบถามเพื่อนคนนั้นไปว่าไม่กี้ขึ้นไปอาบน้ําอยู่ไม่ใช่หรอทําไมถึงมานั่งตรงนี้เพื่อนทุกคนหันมามองหน้าเราแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขานั่งคุยกันหยุดตรงนี้ตลอด ไม่มีใครขึ้นไปข้างบนเลยด้วยความสงสัยเราจึงชวนเพื่อนๆนขึ้นไปดูที่ห้องน้ําชั้นบนเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่ห้องน้ําเลยเธอคนนั้นเป็นใครแล้วหายไปไหนเพราะทางที่จะลงจากห้องน้ําไปยังชั้นล่างได้มีเพียงทางลงบันไดแค่ทางเดียวเท่านั้นนอกเสียจากว่าจะกระโดดตึกลงไป เหตุการณ์ครั้งนั้นทำเราขวัญผวาและไม่กล้าขึ้นไปอาบน้ำที่ห้องน้ำชั้นดาดฟ้าคนเดียวอีกเลยหลังจากนั้นเราก็ไม่เจอวิ ญ, ญญาณแบบเห็นจังๆมาอีกหลายปีแต่เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองปัจจุบันเรามีแฟนเป็นชาวต่างชาติรู้จักกันมาได้เกือบสามปีแล้วตลอดระยะเวลาที่คบกัน หากช่วงไหนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็จะคุยกันทางวิดีโอคอลทุกคืนและเปิดทิ้งไว้อย่างนั้นตลอดทั้งคืนถึงแม้ว่าจะต่างคนต่างนอนแต่มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้อยู่ด้วยกันจนมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่เราคุยกันตามปกติเหมือนทุกๆวันเราก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเขา แล้วพูดแทรกขึ้นมาอยู่หลายครั้งภาษาพูดนั้นเป็นภาษาเดียวกับแฟนของเราซึ่งเราก็จับใจความไม่ได้ว่าเสียงนั้นพูดอะไรก็เลยถามแฟนไปว่าตอนนี้อยู่กับใครแต่เขาตอบกลับมาว่าวันนี้อยู่คนเดียวเพราะคนอื่นๆ อ, ออกไปธุระข้างนอกกันมันทำให้เราแปลกใจมาก เพราะในห้องนอนของเขาจะไม่มีทีวีหรือคอมพิวเตอร์อยู่เลยมีเพียงแต่โทรศัพท์ที่ใช้วิดีโอคอลกับเราเครื่องเดียวเท่านั้นและรอบๆ บ, บ้านของเขาหลังนี้ก็ไม่มีบ้านคนอยู่ในบริเวณใกล้ๆเลยถึงแม้เราจะสงสัยแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นคลื่นรบกวนอะไรหรือเปล่าเลยคุยกันต่อไปไม่ได้สนใจเสียงนั้นอีก จนกระทั่งเราทั้งคู่หลับไปเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าเราก็ตกใจตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเออะดังมาจากข้างบ้านซึ่งข้างบ้านก็มักจะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆเมื่อเราตื่นแล้วก็นอนไม่หลับจึงเดินออกไปที่ระเบียงกล่าวว่าจะไปต่อว่าข้างบ้านสักหน่อยแต่คนที่ทำเสียงดังนั้นกลับเข้าบ้านไปแล้ว เราเลยเดินกลับมาเพื่อจะนอนต่อจังหวะนั้นเองเราก็มองไปยังโทรศัพท์ที่ยังเปิดวิดีโอคอลทิ้งเอาไว้ก็เห็นว่ามีอะไรแวบๆอยู่ด้านหลังของแฟนเราที่นอนหลับอยู่เมื่อจ้องมองดูชัดๆก็เห็นว่าเป็นกันไกลมันกําลังกลางออกแล้วก็งับเข้าเป็นจังหวะไปเรื่อย แต่สิ่งที่ทำให้เรานั้นตกใจมากก็คือเราไม่เห็นคนอยู่ที่ตรงนั้นเลยจึงพยายามเรียกแฟนให้ตื่นเพื่อที่จะบอกกับเขาว่ามีคนอยู่ข้างหลังแต่เขากลับไม่ได้ยินเพราะหูฟังที่เสียบกับโทรศัพท์อยู่นั้นได้หลุดออกจากหูของเขาโชคดีที่ตอนนั้นเขาลืมตาขึ้นมาพอดี ไม่เห็นท่าทางตกใจของเราผ่านทางหน้าจอเขาก็ทาหน้างงเพราะไม่ได้ยินสิ่งที่เราพูดจึงรีบคลําหาหูฟังมาใส่แล้วเราก็ได้บอกสิ่งที่เกิดขึ้นให้เขาฟังในขณะที่กำลังเล่าอยู่นั้นเราก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่กาลังนั่งอยู่ที่พื้นข้างๆเตียงเขาหันมาจ้องหน้าเราผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์ แต่เพียงระยะเวลาไม่นานเขาคนนั้นก็หายไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แฟนได้ยินเรื่องที่เราบอกแล้วหันหน้าไปมองด้านหลังแฟนเราจึงลุกไปตรวจสอบประตูและหน้าต่างก็พบว่ามันปิดสนิทดีและไม่มีใครอยู่ภายในห้องเลยแม้ว่าเราจะเห็นเพียงแค่แวัสเดียวเท่านั้นแต่ภาพนั้น ก็ยังจำติดตาเราไม่ลืมแฟนเราถามว่าหน้าตาคนคนนั้นเป็นยังไงเราจึงบอกลักษณะและอายุโดยประมาณให้กับเขาไปเมื่อเขาได้ยินก็ถึงกับคนลุกและบอกว่าลักษณะของผู้ชายคนนั้นเหมือนกับน้องชายของเขาที่เสียชีวิตไปเมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วแฟนของเราก็หยิบกันไก ที่วางอยู่ไกลๆตรงนั้นขึ้นมาแล้วถามว่าใช่นี่หรือเปล่าเมื่อเราเห็นก็รู้ว่ามันเป็นอันเดียวกันกับที่เราเห็นในตอนแรกและเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีกันไกลหยุดตรงนั้นตอนที่เราทั้งสองคนคบกันใหม่ๆเขาก็เคยเล่าเรื่องของน้องชายให้เราฟังเหมือนกันครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาป่วยหนักมาก เป็นไวรัสตับอักเสบบีหมอหมดทางรักษาและได้ให้แม่ของเขาเซ็นชื่อยินยอมให้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วแต่ในขณะนั้นเขาก็ฝันว่าน้องชายของเขาคนนี้เอาตับมาวางไว้ที่โตะ๊ะแล้วบอกกับพยาบาลว่าให้เอาตับนี้ไปให้พี่ชายไม่นานนักอาการของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนหมอและทุกๆคน ต่างแปลกใจไปตามๆกันเขารักษาตัวมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสนั้นอีกเลยหากย้อนกลับไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเราก็ไม่คิดหรอกว่านั่นจะเป็นผีเราคิดเพียงแต่มีคนมาในห้องนอนของเขาแล้วกำลังจะทำร้ายเขาเท่านั้นจนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนได้ แฟนของเราก็ไปไหว้น้องชายที่สูสานแล้วก็เจอรูปขาวดำเก่าๆหนึ่งใบจึงถ่ายรูปส่งมาให้เราดูเมื่อเราเห็นก็แทบช็อกเพราะคนในรูปนั้นเหมือนกับคนที่เราเห็นในวันนั้นเลยรวมถึงเรื่องแปลกๆส่วนหนึ่งที่เราได้เจอตอนที่พี่เคยประสบอุบัติเหตุรถชนนอนโคมา่าอยู่ในโรงพยาบาล วันนั้นทุกคนไปที่โรงพยาบาลกันหมดเหลือเราอยู่บ้านกับหลานเท่านั้นเรานอนไม่หลับจนเวลาประมาณตีสองจูจ่ๆก็มีเสียงแตรดังขึ้นหนึ่งครั้งทงั้งทางทีไม่มีรถวิ่งผ่านสักคันในเวลาแบบนี้เราจําได้แม่นเลยว่าเสียงแตรนั้นเป็นแตรรถของพี่เขยและเป็นรถคันที่เกิดเหตุ ตอนนั้นเราเริ่มใจเสียแล้วคิดว่าคงมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นไม่นานนักก็มีเสียงรถของคนในบ้านกลับมาพร้อมกับเสียงร่ำไห้ดังไปทั่วเราจึงได้ดูว่าพี่เคยได้เสียชีวิตแล้วและเมื่อกี้คงเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายของเขาที่เรามาเล่าให้ฟังนี้เพราะอยากยืนยันว่า วิญญาณ น, นั้นมีอยู่จริงและไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราก็ได้ไปทำบุญให้กับวิญญาณ น, น้องชายของแฟนเราหวังว่าเขาจะได้รับส่วนบุญกุศล น, นั้นและขอให้เขาได้ไปเกิดได้พบชาติใหม่โดยเร็ววัน หัดสยอง